ข น, นนี้เราังเคลื่อนเมินอยู่ก็ประมาณ19บถึงชีวิตนะที่ทำสิ่งเดียวกันเป็นรูปแบบของการปฏิบัติเคลื่อนไหวแต่ละจังหวะมันก็มีสัมผัส มีความรู้สึกมีการเคลื่อนมีการหยุดมีการเกร็งมีการคลายอันนี้รู้สึกได้ชัดรูปแบบอันนี้จาเป็นอะไรมันก็มีแบบ ว่าเป็นการวัดนะว่าจิตของเราเป็นยังไงมีมาตรฐานนะมีความเป็นปกติเนะหมาที่จะพักอาศัยเนะหมาที่จนะนำมาใชนะ้กระโยชน์เป็นการทำงานทำการ เป็นการดำรงชีวิตต่อไปยังพาศุขมีจิตใจที่โปองใสจิตเกษมสารมันก็ช่วยวัดรูปแบบแต่ละกันหนะจิต ท, ที่ ถูกใช้งานใช้การความว่องไวในการรู้รู้ตรงรู้ถูกหรือภาษาเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมันก็ปรากฏให้เราได้สัมผัสทันทีสิ่งที่ซ่อนซ่อนเป็นอาการต่างๆ เป็นคุณธรรมต่างๆมันก็แสดงออกมาให้เราได้สัมผัสเหมือนกันเราจเจริญสติสติมันก็จเจริญก็ได้เห็นในสติมันก็มีสัมผัญญนืรู้ตัวทั่วพร้อมเราก็ได้สัมผัส รู้การปรุงแต่งทั้งขานเป็นความบริสุทธิ์รู้เท่ารู้ทานและเกิดการปล่อยการวางบริสุทธิ์กายก็มีการปรงแต่งจิตก็มีการปรุงแต่งสัมปติลักษณะเป็นความรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไป รู้แจ้งเห็นจริงในตัวเองเคยทุกข์พราะหลงก็ไปยึดไม่ต้องมาแค่เคลื่อนมือบางคนเคลื่อนแล้วก็ทุกข์มากๆเลยเขาไปยึดทำใหม่เพ่งจ้องจี้ลงไปโดยไม่สังเกตอันนี้ก็ถือว่ายังไม่จำนิจนานในเรื่องกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน มันก็จะหนักทันทีแล้วมันก็วัดให้ทันทีปัญญายังไม่มีมันต้องมีปัญหาต่อไปปฏิบัติก็ไม่สนุกประเภทนี้พอเจอรูแบบก็แยงถ้าทำอย่างอื่นแล้วถูกจริตจริงๆมันก็ไม่ได้มีจริตอะไรหรอกนะการเคลื่อนไหว จกระพริบตาลมหายใจหรือว่าเดินจงกรมหรือว่ายกมือสี่ยังวาจะยุบหนอพองหน้อจะพุ่โตจะอะไรก็เหอะถ้ารู้จักกรรมฐานจริงๆก็ถูกทั้งหมดแต่กรณีนี้นแบบฝึกหัดเบื้องต้น ห, นหลวงผู้เตียนจิตโพเป็นกรรมฐานแนวเคลื่อนไหวมันเป็นสถาบัน ที่เรามีความชัดเจนเกิดการไม่หวันรัดจั้นจริงๆสำหรับคนที่มีปัญญากายเวลาจิตรมกลุ้ฐานกายฐานเดียวฐานหยาบที่สุดเ้าโตที่สุดใหญ่ที่สุดตอนายังไม่เห็นยังไม่เห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมมันก็ยกเมฆเกินไปมัว น, นิ่ม อนุบาลปถมมัธยมอุดมแล้วก็จบเนี่ยมันก็ตามลาดับความง่ายความยากความยากความละเอียดลึกซึ้งลงไปมันก็จะต้องรู้สำหรับผู้ทนะี่พอดูตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ยอ่อไม่ท้อ ถุงท่อก็ไม่ถอยก็บุกมีความเพียนกระยันสั่งเองให้เคลื่อนกำหนดรู้จนไม่ต้องกำหนด <c oughs> เจตนาจนไม่ต้องเจตนาจิตมันตื่นเมื่อเคยทำงานทำการมาแล้วทำได้ใจรักนะรู้ว่า สิ่งนั้นมีอุปการละเราจะทอดจะทิ้งได้อย่างไรทรมาชีพนี้เกิดความมั่งคัง่งเราจะไม่บอกกับคนที่เรารักได้อย่งไรลูกหลานเหลนหลนคนใกล้ตัวมันเป็นมรดกมรดกทำก็เหมือนกันและเราลงมือธทรรมมันก็เกิดธรรมชาติขึ้นมา รู้ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอย่างผ า, าสุกมันต้องแสดงออกเกิดการกระตันอยู่ตอบกัสดสัพสัตสัพสิ่งจนเกิดเป็นม ง, มงคลทางกายวาจาใจเห็นเป็นรู้วธรรมก็ได้ ดูกันนานๆก็ลึกซึ้งเห็นทุกแง่เห็นทุกมุมมันก็จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดานะรูปแบบแต่จะใช้แบบไหนในรูปแบบก็คือรูปแบบนอกรูปแบบก็คือนอกรูปแบบแบบนอกกับแบบในแบบไหนท่นแบบนี้ก็ตกเตียง แต่เรื่องการทําเป็นแล้วก็ใช้ได้กับตัวเองจริงๆอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงเมือเราเห็นข้อเท็จข้อจริงแล้วก็เอาไว้ใช้กับตัวเองความไม่ทุกข์เนี่ยมีไว้ใช้กับตัวเองความพ้นทุกข์มันก็มีไว้ใช้เป็นผลจากการทําถูกมีทุกข์เห็นทุกข์ก้าลงออกจากความทุกข์ เพราะมันเห็นเหตุแห่งทุกข์ชัดๆมันไม่รู้สึกตัวมันไม่เชื่อการเคลื่อนการน่วรูปแบบไหนรูปแบบหนึง่งศรัทธาความเชื่อเมื่อเรารู้สึกตัวมันไม่ทุกข์มันก็ต้องเชื่อเวลาอยู่ความคิดมันเป็นพลังงานมีตัณหามีระตาลลงไป ไปคลุกไปเข้าไปเยอะจนติดหนึบถอนตัวยังไม่ขึ้นตกลมจิตมืดมิดไปเลยหลงพบหลงภูมิมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษแต่พอเรารู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวแต่ละนามมันก็ถอน ป้อน อ, อกมาสลัดคืนป้อนออกมาได้มันก็คืนทุกกายมันไว้ที่กายทุกใจมันไว้ที่ใจอาการของกายคืออาการของกายมันก็ไม่เบียดเบียนจิตใจอาการของจิตใจก็คือจิตใจไม่เบียดเบียนร่นางกายมันก็มีความยุติธรรมเกิดขึ้นมามันก็ได้คาตอบ ความเป็นปกติจิตก็ แ, แสดงออกมาเป็นมาตรฐานแท้ๆเป็นคุณค่าแท้ๆเพราะ้ เ, เลาปบัติธรรมเราก็จะเห็นว่ามันก็เกิดนะความรู้มากมายขึ้นมามันตกแหล่งความรู้ได้สัตบุรุษนะหรือสัพปริยธรรมเจ็ด ถ้าเราไปอ่านยังไม่รู้เรื่องแต่พอปฏิบัติลงไปมันก็เกิดขึ้นมาสับประลุษสับปเปลอเป็นผู้ที่มีความรู้มันมีอยู่รู้เหตุอย่างนี้ทำไปแล้วมันจะเกิดผลอย่างนี้ทำความรู้สึกตัวผลก็จิตจะปกติเกิดขึ้นมา มันก็รู้ท ร, รมิยตาก็รู้ทำเหตุอย่างนี้เกิดผลอย่างนี้อัตชันยุตายามันก็รู้ว่าผลอย่างนี้เกิดมาเพราะทำเหตุอย่างนี้ความเป็นปกติเป็นผลเกิดขึ้นมาเพราะมารู้สึกที่ฐานกายจะไปเห็นจิตปกติอย่างนี้มันก็รู้ เกิเป็นอัตตัญญูตาต่มันก็รู้แล้วอ๋อเคยอยู่กับความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวกูของกูมันก็รู้วโอ้กูโกรธกูทุกข์กูคิดอย่างนี้กูเชื่อความคิดอย่างเงี้ยความคิดคือกูกูคือความคิ ด, ค ด, ค ด, ค ด, คด มันเป็นระนาดของตัวตนมันก็รู้จักเป็นเปรตเป็นสัรลกเป็นอาูนกายเป็นเทวดาเป็นพรหมตัวตนดั้งนั้นแล้วก็ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวผิดปกติ มันก็แสดงออกมาเป็นอาการให้เราได้รู้นะที่อยู่ของมันเมื่อเกิดการเลือกนะทำยังไงถึงจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, ข, นขึ้นไปตอนะนี้มันยังไม่ใช่ยังไม่พอเงีนะ้ยเหมือนเจ้าชายศรีนะได้สมาบัติเจดสมาบัติแปดตอนที่เป็นเจ้าชายศรีธะอารามการาโบทโซกรดาบทสอนะมันยังคิดอยู่เลยเงีนะ้ย พิมพาลาหุนจักยะโคตรจะได้เป็นกษัตริย์ระเทียมกันก็คือถ้าเป็นกษัตริย์ก็จะเป็นที่สุดของกษัตริย์เป็นมหาจากักรพรรดิมันก็ยังคิดตึงอย่างนั้นอยู่มันไม่ใช่รู้ว่ามันมีดีว่านั้นไปอีก ใช้สุขเดียคำตอบเกิดการรู้จักประมาณขึ้นมาเกิดความพอดีขึ้นมามากมายมัาตัญญาตาเกิดขึ้นมารู้จักประมาณในการบริโภคทั้งหลายทั้งปวงการเสพตาหูจมูกเล้นกายใจจะอยู่ยังไงธรรมชาติ ปัจจัยสี่ห้าหกเจ็ดแปดรู้จักการละเวลาเวลานี้ต้องทําคิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้การลันยุตาเกิดขึ้นมามีความเห็นมากมายเมื่อกี้นี้เกิดขึ้นมาเป็นที่ประชุมชนเกิดขึ้นมากําหนดเอาไว้เป็นกรอบเป็นกฎเป็นกติกา มาก็รู้ว่าที่ประชุมอย่างนี้ก็ต้องทําอย่างนี้คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้อยู่ในกรอบของแบบของแผนต่อไปมาเกิดอดันนี้ส่งขึ้นมาบริสันยุตานี่มันก็มีภาษาก็มันพูดเป็นกันเป็นตอนเป็นกันเป็นตอนไป ท้ายสือลูกคนนี้เป็นยังไงในที่ประชุมชนควรครบไม่ควรครบอย่างไรนี่ยเขาดีควรครบก็รรบไม่ดีนีก็ควรห่างเลยต่อให้ไปก่อนอ๋อชุมชนนี้ตอนนี้ก็มีอย่างนี้นะ เ, นเรารู้ว่ามีบุคคลหลายคนเป็นอย่างนี้นะบุมากลากไปอ่ะไม่เป็นไรนมันก็มีชื่อเรียกอยู่ ภาษาไทยภาษาบาลีมากมายสมบัติปัญญัติสือกันคุยกันบุคละปะโรปลันยุตามันก็เกิดขึ้นเป็นอาการทั้งหมดขณะต่อขณะตามเหตุตามปัจจัยเนือเหตุเนือปัจจัยเราก็จึงน ไม่ต้องไปหามันมีมาให้เห็นอาการต่างๆสัมผัสได้ต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตใจของเราสัมผัสได้จากการที่เราสัมผัสรู้ธรรมชาติของกายของใจรูปตามนามธรรมมันก็ส่งผลไปเรื่อยๆเกิดความเป็นเองขึ้นมา ไม่ต้องเจตนาตัวนี้มันมีอาการตื่นรู้เตื่นรู้เตื่นรู้เตือนรู้แล้วก็รู้ตื่นเบิกบานลยจิตกระเจงษ์แสมันก็เห็นคุณเห็นค้าก่ประโยชน์มากมายกับชีวิตของเรา มันเป็นความจริงจริงๆนะศาสนาธรรมเมื่อถูกรู้ถูกเห็นมันไม่ใช่หลอกไม่ใช่รวงกั น, นธรรมชาติมันตรงๆมันซื่ อ, อ, อมีแต่ตัวเองหลอกตัวเองความมรงมันก็เลยรู้รู้ไม่ถูกกวีภาควิจารณ์ไปวิตกวิจารณ์ไป การเคลื่อนไหวรู้สึกเดินยงกลมตอนจะตื่นยันหลับจะเคลื่อนไหวก็หยับมันก็เป็นเครื่องระลึกสติก็เตือนรู้เอารู้เอารู้เอาเก็บเอาเก็บเอานกเป็นการเรียนรู้จบง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องให้ใครมาการันตีกันหรอกตัวเองก็รู้เองเป็นเรื่องของการนั่งการเดินการยืนการนอนการเคลื่อนการไหวทั้งกายทั้งใจเป็นการปรากฏขณะต่อขณะชีวิตจริงๆแล้วมีแค่ขณะเดียวเท่านั้นแหละขณะนี้ขณะนี้ ต่อไปข้างหน้าคือเป็นเรื่องของอนาคตมันก็พอประเมินได้อยู่คาดการได้อยู่อนาตังขยานมันก็มีอติตังขยานมันก็มีปัจจุบันปัจจุบันขณะยานก็มีปัจจเวกขณะยานก็มีมันก็รู้จักใช้ เหมาะสมภายสุดก็คือมจะมีจต่ตัวนะคิดพูดธทรำรนะแล้วก็มีความถูกต้องที่ว่าถูกต้องก็คือเกี่ยวข้องโดยจิตใจของเราไม่ต้องทุกข์ผมเป็นธรรมชาติอิสระเหนือคำที่จะมาอธิบายห ม, หมดคาพูดจริงๆ เพราะนั้นไม่หลงทิศหลงทาง น, นะเวลาตำมาลงมือทำในเพราะกรรมาฐานแนวหลงพูอเทียนนี่มันชัดจริงๆรู้เต่ารู้ทันความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวที่ฐานกายหลวงพ่อคำเขียนนั่นก็ต่อยอดให้ง่ายขึ้น คำรู้สึกตัวขยายควา ม, มันเป็นลักษณะของผู้ดูผู้ดูหรือบางภาษากว่ามีตัวรู้ตัวรู้มีตัวรู้ก็รู้ตัวรู้ตัวคืรู้สึกตัวตัวรู้ก็รู้ตัว สองตัวนี่แหละคือตัวที่ต้องรู้จักก่อนแยกแยกเอามาได้ดูกายยันเห็นตัวรู้มันก็รู้ของมันควเป็นธารู้ใจมีถ้าตรู้ก็ธาตว่างถ้าไม่รู้ก็หลงหลงเนื้อหลงตัวก็ไปอยู่กับความคิดเมื่อก่อนก่อนที่จะรู้เนื้อรู้ตัวมันก็หลงอยู่กับความคิดพอมันมาฝึกหัด การเคลื่อนการไหวมันไปอยู่กับกายเป็นสมถะอย่างเงี้ยมันก็เห็นอาการอเงี้ยถอยถอยถอยออกมาถอนออกมากายไปเห็นตัวเคลื่อนตัวไหวก็ตัวหนึ่งตัวจิตใจหยุดดูก็ตัวหนึงเป็นวิปัสสนาขึ้นมานน้อยให้จิตปกติที่มันหยุดดูก็ไปเห็นอาการที่จิตคิดะเอียดลงไปตามกําลังของสติที่รู้สึกทติฐานกาย มันก็ไปรู้ท่าน ร, รู้เท่ารู้ทั น, เ, นเวลาจิตคิดมันก็สัมผัสได้มไม่ใช่กายก็กลับมาโดยการปฏิบัติธรรมนั่นแหละฐานกายฐานกายยังเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาจิตมีสมาธิมันก็รู้จักว่าจิตมีสมาธิมันมีสมาธิมีสติรู้รู้ตัวอยู่เกิดสมาธิขึ้นมามันก็ไปด้วยกันละ ปัญญาเมื่อเกิดขณะต่อขณะที่รู้สึกตัวมันก็เป็นปัญญารู้สึกเวลาจิตคิดก็เป็นปัญญาสติดูกายสติดูจิตอย่างเงี้ยมัแยกออกไปเรื่อยๆเห็นชัดไปเรื่อยๆเห็นตัวคิดที่เจตนาคิดกับไม่เจตนาคิดเนี่ยมันก็เป็นตัวปัญญาจินตาปัญญาย เวลาเห็นอาการมันไม่ได้มีภาษาแล้วมันไม่ใช่การคิดมันเป็นการสัมผัสต ร, ตร ง, ตรงๆลงไปก็รู้แล้วอันนี้ปัญญาภาวนาเนี่ยก็แยกให้ขนาดนั้นนกักเวรบาเจ้าอะไรกันอีกต้องตกเถียงกันทําไมาสิว่าเรื่เวลาเป็นบาดเอาเองเราก็รู้เอาเองตอบเอาเองเฉลยเอาเองไม่ต้องถามใคร มันจึงไม่มีคำถามไม่ทำการปฏิบัติบางทีก็ไม่ต้องไปบอกใครก็ได้บอกไปก็เท่านั้นถ้เาเกิดไปใช้เป็นพลังงานแต่บางทีก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นงานเป็นการเดียวอยู่อย่างตามทํางานอย่างสูง เปงานของการรักษาศาสนาดํารงศาสนาเผยแพร่ศ า, าสนาบอกในถึงสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเป็นมันมีกลุ่มกลุ่มศรัทธากลุ่มไม่ศรัทธามันก็ไม่เป็นไรเรายัางศรัทธาตัวเรายัางศรัทธาครูบาอาจารย์ยังศรัทธาวิธีการเจริสติฐานสี่ ศรัทธาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาคุณงามความดีทั้งหมดที่ทำให้เรามีกายมีใจมีกันหน้าดำรงอยู่ได้เราก็จึงสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นสิ่งเป็นล้อมร่วมกันพาไปสู่ความไม่เสื่อม ความจเจริญ อ, อย่างยั่งยืนเขายังจะสืบทอดไปอีกนานเท่านานวันนี้ก็ตั้งใจว่าเนี่ยเดี๋ยวทำวัดเสร็จก็จะเดินมินาบัดไปที่ภูเขาทองตอนเย็นอาจจะได้มาทาวัดหรือไม่ได้มาทำวัดไม่แน่ก็้ืนอยู่ยกับว่า หลวงพ่อมเขียนท่านจะแสดงยังไงด้วยเช่เนถ้าท่านถามว่าที่วัดป่าสกุลตมีใครอยู่ไหมพระทุกทีจะมีคําถามเนี้ยนจะมีคําถามอย่างนี้ก็จะต้องดูก่อนว่าจะมีขำพูดสองประโยชน์ที่สองตามมาว่ายังไงถ้าบอกว่ากลับไปดูที่วัดเดอมมีนักบุญธรรมที่วัดก็ต้องกลับมา ถ้าไม่ได้ไม่ได้พูดก็จะอยู่สักสองวันพรุ่งนี้ตรรมวดเสร็จก็จะกลับมาปยะาวันที่สิบสามก็จะมีกลุ่มเข้าที่นี้เป็นปริญญาโทจำนวน66คนจะมาสามวันเห็นว่าก็ยังดีกว่าไม่มาสามวัน ปกติจะรับเจ็ดวันเพราะว่ามันสามารถบอกได้สอนได้แล้วก็มีผลของการปฏิบัติสามวันกำลังกลับปรับเนื้อปรับตัวเราจะกลับไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่แต่ก็ยังดีว่าไม่มาอย่าเห็นวัดป่าสตอมีกิจกรรมอย่างเนี้พาการเคลื่อนไหวปฏิบัติธรรมทุกคนพอรู้แล้วว่ามันใช่มันแก้ทุกได้แท้ๆอย่างอื่นอาจจะเสียเวลา เรื่องของจิตจะรู้สิ่งนี้แล้วตายไปก็ยอมวันนี้วันหน้าตายก็ไม่เป็นไรเหมือนกันก็เลยว่าถ้าเราอยู่กันก็มาทำวัดนะสองคนสามคนก็มาทําวัดไหมให้สถานที่มันศักดิ์สิทธิ์นเป็นคีวัดของชุมชนแล้วก็สืบทอดกันต่อๆ่อต่อตกันไปย้ายมันสาบสูญสูญหายไป จะกลายเป็นจุดอ่อนของศาสนาสถานที่จะูกเปลี่ยนไปก็น่าเสียด้ธรรมชาติแบบนี้สิ่งแวดล้อมแบบนี้มันเป็นสัพยะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติถือว่าเป็นหน้าที่เด็ดตรงและหน้าที่สูงสุดของชีวิตเราทุกคนอะไรเพาะสมควกันเวลาเรากล่าพาพร้อมกัน